การยืนนกรรมาฐานเดินปฏิกายนวันนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นกัรดาท่านพุทธบิณฑิตจะเรียนว่าก่อนตอนก่อนที่สุดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะภาวนาพระโบราณอาจารย์เคยสอนกันไว้ว่าให้ใช้กำลังวิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณเบื้องต้นก็ใช้อย่างอ่อนคือไตรลาาักษณญาณ ใจและสัญญาณามีสามอย่างคืออนิจจังให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาและสัญญาก็ได้อนิจจังที่ว่าโลกทั้งโลกเต็มเรื่อความไม่เที่ยงคนก็เป็นโลกสัตว์ก็เป็นโลกวัตถุธาตุต่างต่างก็เป็นโลกรกวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมตัวก็อยู่ในโลกติดของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วค่อยๆเสื่อมไปในแทมกลางไปที่สุดท้ายภายหลังก็แตกสลายที่สุดแต่คนนละสัตว์ก็เรียกว่าตายประตูท่าต่างๆก็เรียกว่าพังในเมื่อสภาพของโลกไม่เที่ยงที่เรามีความรู้สึกว่าเที่ยงอย่างที่มารดาท่านพุทธบริษัทยกคนทุกคนส่วนมากเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่เคยนึกถึงวันตาย ทังนี้เพราะไดเพราะมีความหลงในร่างกายที่ร่างกายจะมีสภาพยืนยงคงทนตลอดการตลอดสมัยอนนั้นเป็นตัวนัตตาถ้าตัวสภาพความไม่เที่ยงคือการเคลื่อนไปของร่างกายที่เม่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ขึ้นทุกวันจากเด็กเล็กก็แก่ขึ้นมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แก่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว จากความเป็นหนุ่มสาวก็แก่ขึ้นมาทั้งวัยกลางคนเทื้งวัยกลางคนก็เข้าถึงคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายนี่ตามธรรม ด, ดายร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกของเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าสภาพร่างกายของเราจะต้องแก่ในเมื่อจิตใจไม่ยอมรับอย่างนี้มาความจริงมันปรากฏ ความแก่เกิดขึ้นการข้่องตัวไม่มีก็เกิดความทุกข์ข้อ2อในไตรลักษณ์นันยานก็เรียกว่าทุกขังคือความทุกข์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันเที่ยงแต่เมื่อความไม่เที่ยงปรากฏไม่เป็นที่ต้องการต้องใจของเราเราก็มีทุกข์แต่ในที่สุดสภาพต่างๆของชาวโลกก็แปดตาคือตายทั้งหมด ในก่อนก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะใช้สมาธิอย่างอื่นให้ใช้กําลังวิปัสนาญาณอย่างอ่อนนี้ก่อนท่านนี้เป็นวิปัสนาญาณไม่การใดอย่างอ่อนใช้ปัญญาอ่อ น, ออนเมื่อพิจารณาตามความเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกยอมรับตามความเป็นจริงว่ายอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็คิดต่อไปถ้าสภาพของโลกไม่เที่ยง เป็นทุกข์แวนาตาคือสลายตัวในทะี่สุดแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีชีวิตในโลกต่อไปในการเบื้องหน้าร่างกายมันตายแ ล, แล้วก็ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติเราก็จะมีพบกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แวรนาตาอย่างนี้ทุกชาติหาที่สุดเป็นความทุกข์ไม่ได้และการเกิดเป็นมนุษย์เี่ยหาความสุขจริงๆไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขความจริงนั่นไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์อย่างทรัพย์สินที่เรามีความต้องการเราหามาได้ด้วยความชอบธรรมได้ทรัพยาจิตใจมีความสุขแต่ก่อนที่ได้ทรัพยาตประกอบกิจการงานนั่นเป็นอาการของความทุกข์ไม่ได้ทรัพย์สินมาแล้วเราก็ไม่สามารถเจ็บเรื่องทุกข์จริงจังได้คือความแก่ มีทรัพย์มากอะไรก็ตามเราก็ไม่สามารถจะหนีความแก่คนมีทรัพย์มากสัตว์อะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถหนีความป่วยไข่ไม่สบายไปได้ในที่สุดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนก็ตามก็ไม่พ้นความตายในที่สุดก็เห็นว่าโลกมนุษยเต็มไปด้วยความทุกขอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาต่อไปถ้าเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดเป็นอะไร จะเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมอันนี้เรามีสิทธิ์เป็นได้ถ้าเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีทุกท่านมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความเป็นทิพย์ของร่างกายหาความทุกข์ไม่ได้แต่ความสุขของเทวดาของนางฟ้าหรือพรหมจะมีความสุขั่วคราวภพอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่พบความทุกข์อีก ดินแดนที่ไปแล้วมีความสุขจะไม่กลับมาทุกข์ก็บมีดินแดนเดียวคือ น, นิพพานการตัดสินใจเพื่อนิพพานนัะทินยังไงอันดับแรกรู้จักการให้ทานการนึกถึงการให้ทานเป็นจ า, านคาท้องสติกรรมฐานทานเป็นปัจจัยตัดรูปะความโลภ ถ้านึกถึงการให้ทานนัไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบตามอย่างนี้ถี่ว่าเราชนะความโลภ 2. รักษาศินก็เป็นการทรงอารมณ์ให้เยือกเย็ยนเพราะสินจะมีได้เพราะสายเมตตากรุณาทั้งสองประการถ้าเราขาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารจะรักษาสินไม่อยู่ในเมื่อเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เยือกเย็ยน จิตก็ไปสมาธิสินก็อยู่เมื่อสินบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้ารรักษาสินห้าได้ความไม่ความวุ่นวายในสินห้าห้าประการเราไม่มีในการทำลายสินห้าจิตก็เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขอารมณ์สมาธิก็เกิดความเยียกเย็นของจิตเกิดแต่เมื่อความเยียกเย่อกเย็งของจิตเกิดก็ตัด โทสะความโกรธค่อยๆตัดกรรมวิธีน้อยแต่น้อ ย, อยเพราเมตตาความนักกุณาความสงสารหลังจากนั้นก็ใช้กําลังวิปัสสนาญาณเขาห้ามหันกิเลสการใช้กําลังวิปัสสนา ญ, ญนาณบรรดาญาโยมทุกปรสชดต้องค่อยๆใช้ตามขั้นตอนอย่าใช้แบบจู่โจมนั่นการใช้กําลังวิปัสสนาญาณอย่าขอบดไว้ก่อนขอพูดการปฏิบัติเบื้องตน้น เบื้องต้นที่บรรดาในพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนตั้งใจระ ง, งับนิวรณ์ห้าก่อนคำว่านิวรห้าประการนี้เป็นโทษหนักสำหรับสมาธิคือว่าคำว่านิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงแปลว่าเป็นกิเลสยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง ถัาขณนะที่เราต้องการทำสมาธิถ้ามีนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเข้าครอบงมจิตเวลาด้นสมาธิของเราจะไม่เกิดการมณีบรมีห้าคืนหนึ่งการมาชันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความไม่พอใจสามความง่วง ผีจิตฟุ้งซ่านเกินไปถ้าสงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าบริการนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยุ่งกับจิตเขมรดาท่านพุทธบริษัทเวลานั้นจิตไม่สามารถจะทรงสมาธิได้แต่ว่านิวรณ์ถ้บริการนี้เราจะห้ามหันให้มันตายก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันเพราะนิวรณ์สองข้อจะฆ่าให้มันตายได้ต่อเมื่อเราเป็นพระอนาคามี อีกสข้ออย่าค่ายตายได้ต่อเมื่อเป็นพระาราหันเพระนั้นในตอนต้นถึงยังฆ่าไม่ไม่ตายก็ไม่สนใจมันก่อนช่วงเวลาเล็กน้อยให้เวลาไม่มา ก, ากเฉพาะเวลาที่เราต้องการเจริญสมาธิที่เราสามารถจะชนะได้ในขั้นหนึ่งประมาณสนาทีบ้างหนาทีบ้าง10นาทีบ้างก็ตามใจ จำจำําั้งแม้ในการชนะจะมีเวลาเล็กน้อยต้ชนะบ่อยๆความชินเกิดขึ้นไม่สามารถต่ชนะได้หมดวิธีเอาชนะดีวอนแค่แรกก็ใช้อนาปานุสติเพื่อว่ากาหนดรู้ลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาคำว่านาปานุสติคือรู้ลมหายใจเข้าใจออกขณะนั้นเราไม่ต้องการคิดถึงอย่างอื่นใดหมด ต้องการอยู่จุดเดียวคือรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกขณะใดที่ตัณหาไหลรู้เฉพาะลมไม่ใจเข้ารู้เฉพาะลมไม่ใจออกเวลานั้นจิตไม่คิดถึงอย่างอื่นแสดงว่าจิตของท่านมีสมาธิเวลานั้นนิวรณ์ไม่กวนใจแต่ถ้าต้องการภาวนาด้วยการภาวนาควบคู่กันไปก็ได้ถ้าภาวนาด้วยกันสังเกตว่าเวลานี้เรารู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออก เวลานี้เรารู้คำภาวนาโดยไม่มีอย่าอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นจิตทัางท่านเป็นสมาธิในการที่เราจะนชนะอีวอนนานๆก็เป็นไปได้ยากแม้แต่ตั้งใจไม่สนใจกับมันปีนิวอนก็เข้ามาแทรกใจเท่าหรบเผออไม่ของธรรมาดา ขณะภาวนาไปก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีพรเดี๋ยวเขาเข้ามาแทรกคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้เข้ามาแทนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็กําลังฝึกถ้ามีความรู้สึกนี้ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนาใหม่การฝึกสมาธิเบื้องต้นก็มีเท่านี้ว่าต่อสู้กับมิวรเรื่อยๆกันไปจนกว่าจะเกิดอารมณ์ชินคือชาน แต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอพูดถึงอารมณ์จบของการเจริญพระกรรมฐานแต่วันนี้จะจบหมดทีงหมดก็ไม่ไม่หมดกไม่ทราบอารมณ์จบนี้อารมณ์จบมีสี่ตอนคึ้นหนึ่งจบเพราะอาศัยเป็นปัโซดาบันสองเพราะเป็นเป็นสิกิทาคามีสามในขั้นกับว่านาคามีสี่อราหารันต์ถ้าเถิดอรหันต์ก็จบหมด เนี่ยมาจบง่ายๆตอนต้นคือจบในความเป็นบระโสดาบันถ้าเป็นบระโสดาบันนี่เราเป็นบุคคลที่ได้กําไรมากถ้าเราเป็นบระโสดาบันแล้วในการก่อนแต่นั้นมาจะสร้างบาปอากุศลใดๆดก็ตามท่านมีอยู่ไม่จะมากจะน้อยก็ตามเว้น ไ, ไว้แต่อันตรายกรรมแต่คนที่มีทอดถึงอันตริยกรรมนี่ยิงข้าพ่อข้าแม่ข่าพระอราหันต์เป็นต้น อย่างและทําสงฆ์แตกกันทำผู้ใจหอบโรหิตอย่างนี้ไม่สามารถเป็่ยนพระอธิยาได้ต้องลงมารก่อนถ้าโทษไม่ถึงอย่างนี้เป็นงเพียงบาตธรรมดาเราสามารถจะเปี่นพระอธิยเจ้าได้คือพระโซดาบันขึ้นไปหากว่าท่านได้อารมณ์ของพระโสดาบันแล้วบาปต่างๆไม่สามารถจะให้ผลได้คือบาปทุกอย่างเว้นไว้แต่อนัญเรียกรรม ไม่สามารถจะดึงให้ท่านเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานได้คืนหนีกันพ้นไปเลยอารมณ์โสดาบันตามบาลีก็มีสามอย่างหนึ่งคือหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิจิชาสามทิรประตะปรามาตตอนนี้ใช้ทั้งสมถะอริอปัสนาและสิงควบกันต้องมีควบกันนะแต่ว่า การใช้กำลังวิบัติษายานตอนนี้ใช้ต่ำมากใช่ลมแบดธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเครียดใช้ปัญญาการสัญญาเข้าควบกันคำว่าสัญญาคือความจำปัญญาคือความคิดคือความฉลาดยิ่งกว่าความจำขึ้นไปนิดหน่อยอันดับแรกก็จับเรื่องโคตสกาเยติฐิเป็นแสงย่อยขอดตน สกาญาติทิของปโสดาบันกสิกธาคารมีใช้กําลังต่ํามากคือคาว่าสกาญาติทินี่ต้องใช้กําลังสามชั้นคือของปโสดาบันกสิกธาคารมีใช้ปัญญาและเพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต้องตายร่างกายของเราไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรุนทำกลางและมีการตาแตกแตกร้ายตัวในที่สุด ถ้ามีความรู้สึกมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความแปรปรวนทําการมีการสลายตัวในสุดอันนี้แปรอารมณ์วิบัสินายานใช้อารมณ์วิปัตสนายันควบคู่กับสมถะภาวนาถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันต้องตายอันนี้เป็นสมถะภาวนาถ้าคิดว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนทําการมีการสลายตัวในสุดคือตายก็เป็นวิปัสินาภาวนาใช่อารมณ์อ่อนมาก เมื่อมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี่มันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันนอกจากแก่ก็มีการป่วยไข้ามาสมบายมีความทุกขม์มาแทรกทุกเวลาในที่สุดมันก็ตายในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจะตายจะตายเร็วหรือตายช้าไม่สาคัญ แต่ว่าองค์สมเด็จพระพุทธกวันคือพระพุทธเจ้าให้ทรงคิดว่าความตายจะมีกับเราไว้วันนี้อยู่เสมอตามที่องค์ทรงตรัสว่าอนนว่ า, านันทา ด, ดูก่อนอนน์เธอคิดถึงความตายวั น, นกี่ครั้งพระนนท์ทรงตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าคิดถึงความตายวันประมาณเจ็ครั้งเวลานั้นพระอนนท์เป็นมโหสดาบันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านันทา ด, ดูก่อนอนน์ยังห่างเกินไป ถาคตคดึถึงความตายทุกล์ร่มให้ใจเขาออกนี่แต่คนเราจะนึกถึงความตายเราก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตายแล้วไม่มีสภาพศูนย์ถ้ากรรมที่เป็นอุสลเกาะใจแล้วก็สามารถไปสู่สุขติคือไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ถ้าจิตสะอาดก็ไปนิพพานได้ ถ้ากรรมที่เป็นอนกุศลเกาะใจก่อนตายก็ไปสู่อาบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติชานบ้างอันนี้มาทึกถึงความตายแล้วตั้งตัวหาที่พึ่งก่อนอย่าตายหาที่พึ่งก่อนนั่นก็คือตัดความสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทำจิตน้อมยอมรับความดีของท่านเก็คิดว่าพระเจ้าดีแบบไหนต้องใช้ปัญญาคิดตาม ให้ใครคนด้วยกําลังเองปัญญาเสียก่อนหาความดีพระพุทธเจ้าให้พบหาความดีเรา ม, มาทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พบหาความดีของพระส่์ให้พบด้วยปัญญาถ้าเชื่อเฉยๆเป็นทุกข์ก็ทาอาจจะถอยหลังได้ตอนนี้เราจะหาความดีพระพุทธเจ้าก็หาส่วนกลางๆตามที่พระองค์ทรงตัสไว้ในโอวาทปาิโมข้อแรก ว่าสัพ ป, ปะปาปัสสะการนั่งว่าท่านนังหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกฎสระสูบทสมัทาจงทำแต่ความดีพร้มพระพจิตตัิโยตุปันนั่งจงทำจิตใจผ่องสายเจ็ ก, กิเลสพระองค์ทรงยืนยันว่เอตังพุทธานาสาพระนังพระพุทธเจ้าทุกองสอนอย่างนี้หมนกันหมด ในเมื่อพิจารณาว่าพระเจ้าแนะนําให้ละความชั่วทุกอย่างเพราะความชั่วเป็นความเป็นเหตุใงความร้่าร้อยของจิตถึงความทุกข์ความดีเป็นเหตุใงความสุขของจิตใจการทำจิตผ่องใสการตัดสันผ่องใสจิตกิเลสคือหมดการเวียนว่ายตายเกิดในพระตะปนานิพันธ์มีความสุขที่สุดในเมื่อใครคนว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระอริยสงฆ์ดีก็ยอมรับและถือตั้นในความจริงใจ อย่างนี้เป็นการตัดสัญญาณข้อดีสองคือวิจิตาสงสัยในวัตรไตรสนาคมคิดว่าเราได้สองข้อต่อไปก็ตัดสัโยาณข้อดีส3มเมื่อความเป็นประโสดาบันสัญญาณข้อทีสาคือศีรพตปรตาปรมาตคําว่าศีรพตปรตาปรมาหมายความการรักษาสินไม่แน่นอนไม่มีการทรงตัวสินดีบ้างสินขาดบ้างหรือก็มีสินเดียวก็ไม่มีศิน แในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกศินนประตะปรามาสแล้ก็ตัดข้อนี้ทิ้งไปเอาความมั่นใจทรงกำลังจิตให้แน่นอนว่าสินห้าบริการเราจะทรงให้ครบคือหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์ในการตั้งใจฆ่า2จะไม่ลักไม่ขโมยของใคร 3. จะไม่ทำไม่ก่อเวรก่อกรรมทำลายความรักของบุคคลอื่น ที่จะไม่กล่าววาจาโมสาวาดห้าจะไม่ด่มสุราลดมีไรเมื่อตั้งใจอย่างนี้ก็ตั้งใจงดถ้างดด้วยความจริงใจด้วยความมั่นใจว่าสินห้าทรงตัวกี่ยกความ่าัาโยชนสามประการของท่านครบคือหนึ่งส ก, กายทิติรู้จักว่าชีวิตที่ต้องตาย สงวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริสงยอมรับนับถือได้ความจริงใจถ้าสามทิรปตาปรามาตรักษาสิงคบทวนถ้าทำได้จริงๆไม่ขึ้นไหวอย่างนี้พระพเจ้าทรงยอมรับว่าท่านบนนั้นเป็นมสัสสดาบันนี่การใช้กำลังปัญญาไม่สูงคือไม่ต้องสูงนักเอาแค่ตามขั้นตอนของความเป็นพระอริเจ้าจะได้ไม่หนัก ตอ น, นี้ถ้าเป็นพระโสดาบันถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์ก็เรียกว่าโสดาบันขั้นสัตาขับตรงพระโสดาบันนี่มีสามขั้นคือเอกวิชีโกลังกลระสตัสตุปรามะขั้นสะตากับตรงนี้ถือว่ามีบา ร, รมียังอ่อนมากแต่ว่าใบยภูมิก็ไม่สามารถจะรบกวนเราได้ถ้าบามเป็นบา ร, รมีได้แค่นี้เราเราก็ตายเป็นนองว่าไม่ต้องตกอใบยภูมิเพราะบาป บาปตามไม่ทันปิไว่้ต้องเกิดมาบรนเพนบา ร, รมีอิจฉาจชาติจึงจะไปนิพพานได้ถ้ากํลาลังใจของท่านละเอียดขึ้นไปนอกจากมีศินห้าวิสุทธิ์ก็มีการหมดสิบริสุทธิ์ด้วยในเมื่อมีการหมดสิบริสุทธ์ด้วยจะเรียกว่าโกรังโกละพระโสดาบันขึ้นโกลังโก ล, กละโกรังโกระมีบา ร, รมีสูงกว่ามีจิตละเอียดกว่า ถ้า ต, ตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นคนอีกสาชาติเป็นพระร han ถ้ากําลังใจสูงกว่านั้นที่เรียกว่าเอกวิชีเอกวิชีนี่ก็มีกำลังส10ควบหินห้าเหมือนกันแต่มีกำลังสิบมั่นคงมากไม่ต้องระวังหินหก็ดีกำลังส10ก็ดีไม่ต้องระวั ง, รร ง, วงคือว่าเราไม่ต้องรักษาหินสินรักษาเราแต่หมายความจะไม่พลาดกันแน่ที่เรียกว่าเอกวิชี อย่าถ้าทำถึงอย่างนี้ท่านบอกว่าเกิดตายจากความเป็นคนเกิดเป็นคนอีชาติเดียวเป็นพระสารปณิพันธ์คือรวมความว่าวันนี้อันดับแรกก็ขอแนะนำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่างทุกท่านให้ใช้กำลังสมาธิเบื้องต้นคือปะโสดาบันกสิกิาคามีไม่ใช้กำลังสมาธิไม่ส t t h, ูงใช้กำลังสมาธิอย่างสูงในขั้นเจริญมิปัสนาญาณอย่างมากก็ไม่เคยถงมชาน ด้วยชาตที่หนึ่งเขาใช้กําลังเบามากขอโทษทุนอีกครั้งหนึ่งว่าปรโสดาบันมีกําลังสามก็ตัดสัญญาณดีสามขึ้นหนึ่งสากายเยติทิแต่ก็เป็นสากายเยติทิเขาปโสดาบันสกิทาคามีที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายและก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าก่อน่าตายชีวิตเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนและท่านกลางคําว่าแปลปลความหมายความว่าแก่ไปทุกวันนอกจากความแก่ก็สิ่งที่มีแทรกเข้ามาคือความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทําให้ร่างกายแปรปรวนแล้วก็มีอีกประการหนึ่งทางด้านจิตใจก็ในเมื่อมีความปรารถนาไม่สมหวังจิตใจก็เร่รนร่างกายก็แปรปรวน การพัดพลาจากของรักของชอบใจเข้ามาแทรกอันนี้ก็ทำให้จิตใจเรรวนไม่กันแปรปรวนไม่กันและในสุดร่างกายก็มีความตายในที่สุดการใช้ปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าเข้าตัดสกายยิฐิเบื้องต้นของปโสดาบันและบริการี่สองยามิทีหนึ่งตัดสังโยตข้อที่สอง ไม่สงสัยในความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คำว่าไม่สงสัยนี้ต้องใช้ปัญญาอย่าเชื่อเฉยเฉยถ้าเชื่ อ, อเฉยเฉยไปที่โมะตานน้อมใจเชื่ออย่างนี้พลาดภายหลังได้ต้องใช้ปัญญาค่ะพิจารณาจริงๆว่าพระพุทธเจ้าดียังไง ถ้าทําคำสัสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนพระอริยสงฆ์รูว่ากองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดีตรงไหนนี่ต้นใช้ปัญญาเองนะเมื่อมีความมั่นใจในความดีของท่านก็ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจต่อไปก็รักษาสิ้นห้ากับกำหนดสิทธิให้บริสุทธิ์ถ้ารักษาสิ้นห้าเฉยเฉยบริสุทธิ์ไม่มีกำหนดสิทธิ์ เป็นมโสดาบังขั้นสัตตะขับตรงขั้นอ่อนมากแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถอยหลังตอนนี้เมื่อใช้จิตกําลังวิปัสสนาญาณไคร้คนสังโยชนสามรายการอย่างนี้เพื่อตัดสังโยชน์เมื่อคิดว่าหนึ่งเราตายแน่ยอมตาย 2. ก่ อ, อย่าตายนึกถึงประไตรสปาคมเราไม่ตกนรกแด้เกิดความมั่นใจรายการที่สามเราจะควบคุมกำลังใจรักษาขีนี้บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ถอยหลังลงอาใบจะภูมิแน่ ถ้าสร้างความมั่นใจเกิด อ, อย่างนี้ต่อไปกัมดาท่านพุทธสวัสดาก็เริ่มทาสมาธิสมาธิคือฝึกความตั้งใจฝึกการทรงตัวของจิตถ้าจิตทรงตัวเวลาฝึกทาสมาธิก็กาหนดรู้เาให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็ดีให้ใจเข้าสั้นก็เข้ายาวก็ดีก็รู้อยู่ เมื่อรู้รู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็ใช้คำบรรณาควบจะใช้คำรรนาแล้วไม่ใช้คำบรรณาก็ได้ถ้าจิตใจมันวุ่นวายคิดมากฟุ้งซ่านมากก็จงอย่าใช้คำบรรณาควบเอาแต่แค่รู้ลมหายใจเขาออกถ้าจิตใจไม่วุ่นวายมากนักก็ใช้คำบรรณาควบสําหรับคำบรรณานี่ตามพุทธบริษัทอาตมาไม่จํากัดให้ท่าน ว่าทุกคนสามารถจะภาวนาอย่างไรก็ได้ตามใจชอบก็ถือว่าไม่ผิดในบทอิทิวโสทั้งบททั้งสามห้องเอาคำใดคำหนึ่งก็ได้ภาวนาตามใจชอบของท่านมีผลทั้งนั้นเพราะว่าถ้าบังเอิญท่านไม่เคยภาวนามาเลยขอแนะนำไม่ใช่คำนาว่าพุทโธก่อนเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติก ร, รมฐาน คำว่าพุโทโธเป็นการนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุท ธ, ธามติอนุสติแปลว่าตามนึกถึงเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธ์ร้ายใจออกเรียกว่าโธแต่ถ้าบังเอิญท่านยังไม่สามารถจะตัดสังโยชน์ได้ยังไม่สามารถทําจิตเป็นชานสมาบัติได้อาจจะเป็นแค่กินว่าคิดว่าเวลานี้เรามีพุโทโธเป็นที่พึ่งพุโทโธคือพระพุทธเจ้า การภาวนาว่าพุทโธก็ไม่ใช่ทั้งวันเวลามีกิดการงานก็ทําการงานไปถ้านึกเข้ามาได้ก็ภาวนาเวลาภาวนาจะไม่นั่งสมาธิก็ได้ทํางานอยู่ภาวนาก็ได้หรือว่าถ้าเรามีภาระมากไม่สามารถจะนึกได้ในเวลาอืน่นก็ใช้เวลาก่อนหลับเวลาก่อนหลับถ้ามันเหนื่อยมากๆไปสามารถจะนั่งได้ก็ไม่เป็นไรนอนก็ได้เมื่อศีรษะถืงหมอนนึกในใจตั้งนาโมสามจบ นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์แล้วก็ตั้งใจภาวนาบําเพุญ ท, ทูตให้ใจเข้านึกพระพุทธใจออกในวัฏฏูด้วยความจริงใจด้วยศรัทธาแท้จะใช้เวลาแค่สามนาทีหรือ5นาทีก็ตามใจชอบแต่ไม่ควรจะตั้งเวลาเอาแค่จิตสงบถ้าจิตมีความวุ่นวายเดี๋ยวก็เลิกถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัททําได้อย่างนี้ทุกวันขึ้นเจ้าบายภูมิก็ไม่ถึงท่านเหมือนกัน าการนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปสวรรค์ น, นับเป็นทวนตามที่เจ้าทูนต่กอบทินตากาบุพุกกะ พ, พ, พรามในเมื่ออทินตากาบุพุกกะ พ, พ, พรามถามพระเจ้าว่าพระสมณโคดมคนนี้นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยตังเทพตายแล้วไปสวรรค์มีไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าปามาณะนาดูก่อนพราม คนที่นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนะับพันนับเป็นโกรธอย่างลูกชายของท่านคือลูกชายของเขานึกถึงชื่อพระเจ้าต้องการให้ไปรักษาโรคแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปกําลังนึกถึงอยู่อย่างนั้นเขาก็ตายเป็นเทวดาบนสรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกอรบบรบันดาญาโยงพระุทธศาสนาพูดมาพูดไปสมหมดเวลาบุรี ขวัดญดาญาติโยมพระทศวรรษหลายหันหน้าไปหาพระรูปตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน